อ س م ลอฮฺอัลลอฮฺอัลล م ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ ن ك ل ا ع ل م ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ ن ت ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ر ب ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و ح ل ا ل ع ق د ة م ن ل س ا ن ي ي ف ق ه ق و ل ي ا ل ل ه م ا ج ع ل ا ل ق ر آ ن ر ب ي ق ل و ب ن ا و ن و ر ص د و ر ن ا و ج ل ا ء ا ح ز ا ن ن ا و ذ ه ا ب ه م م ُ مِنَ وَغُمُ مِنَ و َ ش َ ف ِ ي م ع َ ل วันนี้นะครับเราได้มาถึงตอนสุดท้ายจากสุรานาจีอาด่อนที่เราจะไปดูกันว่าในตอนสุดท้ายนั้นอัลล h s ฺซุบฮานตะอลได้สรุปบางเรื่องบางอย่างเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับวันอัคร i r a นะครับก็ เป็นสิ่งที่เราได้พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นสุรษะว่าสุรษะนี้นั้นอัลลอฮุ س ب ح ا ن ละได้พูดถึงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของวันอาคร i r a t นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมักจะหลงลืมดังนั้นอัลกุรอานอลกีรมจึงพยายามที่จะให้มนุษย์นั้นได้ระลึกถึง เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันหนึ่งนะครับด้วยวิธีการที่หลากหลายสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าอกุรอานจะมีวิธีการที่มากมายเหลือเกินในการที่จะดะาว่ามนุษยชาติให้ศรัทธาต่อวันอัคิรัฐนี้แต่เราก็พบว่ามีมนุษย์หลายคนเหลือเกิน นะครับที่ยังปฏิเสธบางครั้งไม่ใช่เพียงแค่ปฏิเสธเท่านั้นแต่มักจะอย่างฟิราอาลเราตักเลยยกตัวอย่างในสุราห์นี้ก็คือฟิราอาที่ไม่ใช่แค่ปฏิเสธแต่อหังการประกาศตนถึงขนาดว่าตัวเองนั้นเป็นพระเจ้ากันเลยทีเดียว แล้วอัลลอฮฺ س ب ح ا ن และ تعالى ก็ได้ทำลายฟิร์アウ์ทำให้ร่องรอยของฟิร์์นั้นเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นอุทาหารณ์เป็นบทเรียนสำหรับคนที่ยิ่งเยโซและตะกบอกับพระอำนาจของอัลลอสุ سبحانه และ ت ع ا ดังนั้นการที่เราได้มาเรียนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในสุรทนนสิอาต สิ่งที่สำคัญและจะจำเป็นจะต้องมานั่งพูดคุยกันเสมอก็คือเรื่องการทบทวนตัวเองบทเรียนอะไรบ้างที่เราได้รับจากสุรักษ์เราบนนั่งเรียนสุรักษ์นี้จริงๆแล้วไม่ใช่สุรักษ์ที่ยาวอะไรมากมายแต่เราใช้เวลาไปหลายวันมากเลยทีเดียวมีข้อมูลต่างๆที่เราได้รับไปมากมายพี่น้องคิดว่าพี่น้องได้อะไรบ้างจากสุร์นี้ได้เพิ่มอะไรบ้างเกี่ยวกับความมั่นใจของเราต่อวันอเคระ ได้เพิ่มวิสัยทัศน์อะไรบ้างในการที่จะทําให้เรานั้นกําหนดจุดยืนและวิธีการดํารงชีวิตให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺละทรงพอพระทยัยพี่น้องครับทุกวันนี้ชีวิตของเราถ้าหากเราไม่มีการชี้ทางการชี้นำจากอัลลอฮฺสุบฮานา อ, อาาฺละแน่นอนที่สุดว่าเราจะไม่พบกับเส้นทางที่จะนําไปสู่สิ่งที่ อัอลลอฮฺตุบาริฮฺทรงพระทัยและเราเองก็ไม่น่าที่จะได้พบกับสิ่งทีต่ตัวเราเองพอใจด้วยนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องได้ทบทวนทุกครั้งที่อ่านนะครับให้ทวนอ่านทวนอ่านสุรบที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดแล้วก็ลองทบทวนเนื้อหาจากความหมายภาษ า, าไทยที่มีอยู่ในหนังสือ วันนี้เราเรียนเราได้บทเรียนอันหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราอ่านพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้บทเรียนอีกอันหนึง่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสุราเดียวกันวันนี้เราอ่านสุราเดียวแหลอ่านสุรา this เราได้บทเรียนอันหนึง่งพรุ่งนี้เรามาอ่านสุรา t h อีกเราอาจจะได้บทเรียนอีกอันนึงซึ่งมันไม่เหมือนกันกับที่เราได้รับวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะจบสุราทุนนาซีอาตในวันนี้ วันนี้เราเหลืออายะห์ี่อายะห์หนึ่งอสาหอยะห์มาอ่านหอายะห์นี้ก่อนนะครับตั้งแต่อายะห์ที่ 4, ี่เป็นต้นไป أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرسها؟ فيما أنت من ذكرها؟ إ ل َ ى رَبِّكَ م ُ ن ْ ت َ ه َ ا إ َََِِ م َُ ه َ إِنَّمَا أَن ت َ م ْ ن ذ ِ ر ُ مَن ي َ خ ْ ش َ ه َ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ض ح ا ه ا อ่ายบท้ายจากสรา ا ل ย ل ه คำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ยอดฮิตที่บรรดาพวกมุสิบรรดาคนกฟเร มักจะถามเราและเป็นคำถามที่ท่านนาบีเนี่ยโดนโดนบ่อยมากยัสอาลูนหมายถึงบรรดามุสริกิบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธานะครับพวกเขาตรงนี้อาย s issa ิซาถามถึงอะไรถามถึงวันเกียร์มัสเพราะท่านนาบีบอกว่าวันเกียรมัสจะเกิดขึ้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดสิ่งต่างๆที่มาไหนล่ะ ถามเลยมัจซะเมื่อไหร่จะเกิดบอกว่าจะเกิดจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดสักทีจะ سألونك عن الساعة التي أيانا موسىها ทุกวันนี้ก็ยังมีคำถามนี้สุบฮานะลอครับเพราะมันยังไม่เกิดสักทีและไม่รู้เมื่อไหรจะเกิดนะนี่เป็นคำถามยอดฮิตที่ท่านนาบีสุลต่านเองก็โดนถาม เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะเวลาที่เราเจอคําถามอย่างนี้จากใครก็ได้ทุกวันนี้ถ้ามีคนมาถามมา น, นี่ท่านเป็นเป็นมุสลิมบอกว่าศรัทธาต่อวันอาคราษฎร์นี่บอกได้ไหมว่าเมื่อไหรจะเกิดวันอัคราษฎ์ถามว่าแปลกไหมคําถามนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวนะเป็นคําถามปกติครับสําหรับคนที่ไ ม, ม่ศรัทธาเราก็ต้องตอบนะเราก็ต้องตอบเหมือนที่อัลกุรอานตอบอนะ หลายที oui. <c oughs> <c oughs> ่เหลือเกินนะครับในสุรุขะอัลมุลกสุรุขะอัลมุลกที่นะคุณอินนัมะอันคุณอินนัมะอนะบชรุมมิลุุมยูฮาอิยอันมชอนอัลลอฮในรอัลมุลกที่หลต่อไลาวถึงว่าบรรดามุชิกีก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดวันก่ยาต “คุณคุณนั่นไม่อาจรู้ความรู้ของคุณที่จะเิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันท่าุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจเกิดวันท่คุณจะเกิที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่คุณจะเกิดวันที่จะัที่คุณจะเกิ นะ यस अलूनक अनिसआ อะติไอยานมอร์ซาฮานะเป็นคําถามที่ถ้าเราเอ่ถ้าเราไม่ทราบหรือเราไม่เตรียมใจมากก่อนเราอาจจะเราอาจจะเหมือนกําว่าเ ส, เสียความรู้สึกพอโดนคําถามอย่างนี้มันตอบไม่ได้ไงไม่รู้จะตอบอย่างไงนี่ ค่ให <c oughs> <m eng ang> ้ตอบเหมือนกับท <m eng> ี <m eng> ata, i, on, ่อ <m eng> ัลกุรอานท้าอินนามะอินนามะไม่รู้เราไม่รู้ท่านนบีลลลฮอัลมเองไม่รู้เรื่องนี้เหมือนครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าจิบรีลมาสอนใช่หครับที่ิบรีลมาสอนท่านนบีมุฮัมมัดลลลฮอัลมแล้วิบรีลก็ถามท่านนบีว่าบอกฉันสิว่าวันกียรจะเกิดเมื่อไหร่ แสดงว่ามันเป็นประเด็นใหญ่นะประเด็นที่อยากจะรู้ว่าวันกิยามัดเกิดเมื่อไหร่นี่เป็นประเด็นใหญ่แต่ Allah อล ะ, ะอลัยาไม่ต้องการให้รู้แม้แต่ท่านนาบีสุลลัลลลัมเองก็ไม่รู้มัลมัอูลู b อ ʿ a l ม m a min al-sa'il มัลมัอูลูอันฮะ b i ʿ ล l ม m a min ไม่ใช่ว่าคนที่ถูกถามจะรู้มากไปกว่าคนถามท่านนาบีตอบอย่างนี้อินนามะ علمها عند มีหอย่างที่ Allah ะ, ะลัไม่เปิดเผย อินนั้นละลลาฮฺังดะู์์ ا ์์์์์์์์์์์์์์์ أ ์์์์์์์์์์์์ م ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ا ์์์์ ا ์์์์์์ ب ์์์์์์์์์์์์์์์ ا ์์์์์์์์์์์์์ ا ์์์์์์์์์์์์์์์ นึงอินด ه ع ูอิลมุสกลอ่านนะในส ah ุรษะลุกแมนเข้าใจไหมบอกว่าอมูล الساعة นึ่งก็คื อ, อความรู้เรื่องว่าเมื่อไหร่จะเกิดวันกิยร์มัตอันเนี้ยไม่บอกให้มนุษย์ทราบท่านนบีเองก็ไม่ทราบวยุนัสซิลุลไคลส์ฝนจะตกเมื่อไหร่พยากรณ์ได้แต่ชัวร์ชัวร์ร้อยเปร์เซนต์ไหมไม่ใช่ ไม่รู้ครับฝนจะตกเมื่อไรก็อยู่นะซิลลจะตกตรงไหนจะตกเท่าไรจะเกิดอะไรขึ้นมีเพียงอัลลอ์สุบฮามแต่ลเท่านั้นเท่าน้นะทาาาาาเทานั้นเานั้นอท่านั่านวนเท่า้พเท่านี้นเท่านั้นเท่านั้นจจเท่านั้นเท่านั้นเ่านั้ไม่านั้นเ่านัไน่านั้นเ่านั้่านั้เา่านั้น่านั้นเท่านนเ่นั น, นเ่อนั้่ากรณ์เท่าว่าไม้มีแบบนี้เพราะฉะนนั้นเว่านี่นเราดูขน่าวันช่างภาษเทานัเ่านันเ่านั้นเท่านั้นเ่านั้นเท่ ทุกครั้งที่เขาอ่านข่าวพยากรณ์อากาศเขาจะอ่านว่าอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้นะบอินลลด้วยการอนุมัติของอัลล์จะมีเมฆตรงนั้นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เขาจะเขาจะกำกับไว้เลยว่าด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์อินชาอัลลอ์ด้วยนี่คืออกเกดของมุสลิมเวลาที่เขาอ่านข่าวเขาจะเขาจะพูดอย่างนั้ น, นถ้าเป็นของพวกเราก็ไม่มีแบบนี้ใช่เพราะไม่มีอัลลอฮ์อยู่แล้วพยากรณ์อากาศวายณะซุลลุลกัสวยะลามมะฟิลอาร์าม ลเราจะรู้สิ่งที่อยู่ในในท้องในคัตมันดาว่าจะเกิดมาเป็นยังไงจะเกิดมามีนิ้วเท่าไหรมีตาเท่าไหรมีอายุเท่าไรเป็นเพศทั้งหมดนี้คือความรู้ที่นะครับมนุษย์ไม่อาจจะทราบได้เพียงแค่การคาดเดาและการคาดคะเนตามที่สามารถจะเข้าถึงด้วยความรู้เล็กๆน้อยๆของเขาเท่านั้นวามาตรีนซุ บ, บอ และมนุษย์ชีวิตแต่ละชีวิตนี้ไม่อาจจะทราบได้ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอเคเราอาจจะวางแผนได้พรุ่งนี้จะไปตลาดไปซื้อไอ้นั่นไปซื้อไอ้นี่แต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆตามที่เราวางแผนเอาไว้เป๊ะไหมไม่รู้ครับชีวิตแต่ละชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองจะตายที่ไหนกูโบของตัวเองจะที่ไหน นะอยู่ฟูกเก็ตดีๆอาจจะไปตายที่มั ก, กา์ก็ได้นะอยู่ฟูเก็ตอยู่บนบกดีๆอาจจะไปตายกลางทะเลก็ได้ล อ, อลห้ออะเลมจะไปตายที่พังงาไปเสียชีวิตที่ไหนไม่มีใครรู้นี่คือให้อะที่อลัอลลอฮ์พูดถึงไอลมุละอเกรหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นคำถามสำคัญและเป็นลำดับแรกเลยที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือเมื่อไหร่วันเกียรติจะเกิดขึ้นนานมากแล้วครับที่มนุษย์คิดเรื่องนี้ เคยได้ยินไหมที่เขาก็บอกว่าชนเผ่าอารยันอ่ะที่เขาบอกว่าปี2012จะเกิดวันสิ้นโลกเหนคือมนุษย์มันอยากรู้อ่ะจะเกิดวันสิ้นโลกเมื่อไหร่ก็เลยขีดเอาไว้ถ้าก่อนหน้านั้นอีกเขาบอกว่าปี2000เนอะนอสตราดามุสเคยพยากรณ์ว่าปี2000วันจะสิ้นโลกอ่าแล้วหมดปี2000ปี2012ปีเรานี่แหละ วันที่เดือนพฤ ษ, ษภาหรว่าเดือนอะไรสักอย่างหนึงนีผ่านไม่รู้ไปอังกีษเดือนแล้วจะหมดปีแล้วเนี่ยยังไม่เกิดนะครับแต่จะบอกว่าเป็นประเดญญญ็นยอดฮิตที่เขาอยากจะรู้กันเหลือเกินแต่ Allah Taala บอกประกาศมาตั้งนานแล้วในคํำพิองพระองค์ว่าอ uh ินนัมะอิหมุฮะอินดะลอหนะ Allah t a า l a บอกว่าทีมาอันซามินซิคราฮะในสุราห์นี้คนเหล่านี้ถามเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าจะรู้ไหมอะะเหมือนเหมือนกับเป็นคําถามเป็นการประชดกับบรรดาคนที่ตั้งคําถาม ฟีมาอันตานะฟีมาอันตานี่มันก็ว่าเป็นการบอกว่าท่านนาบีนี่ไม่ได้รู้อะไรเรื่องนี้ฟีมาอันตาเจ้ารู้อะไรบ้างเจ้าไม่ได้รู้อะไรเรื่องนี้มินสิคราในการที่จะกล่าวถึงมันได้ท่านนาบีไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับเขาว่ายังไงมลัลอ ا ئ د ة ุลเควะลุมฟีซิคร์ฮะ ومعرفةوقتمجيئها อันนี้ก็มีการตัดเศษอีกแบบนึงการตัดเศษว่า อ, อย่างไงในภาษาไทยเขาบอกว่า ท่านนาบีไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้แจงกำหนดเวลาของวันเกียัติให้แก่พวกที่จะมาถามทราบได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของท่านนี่เป็นความหมายหนึ่งนะครับที่เขาอธิบายในขณะที่ในตับสีของอัสสัลฺอธิบายว่ามัลฟาอิดะตุลกาอัลลฮฺมฟ um <ha> ีซิกร um <ha> ิฮามันจะมีประโยชน์อะไรที่จะรู้ว่าจะเกิดเมื่อไรมันจะมีประโยชน์อะไรกับเจ้าหรือจะมีประโยชน์อะไรกับพวกเขานะจะรู้ รู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับ ف ل يس تحت ذلك ن ت ي ج ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه م ص ل ح دينية ولا دنيوية بل المصلحة في إخفائه عليهم طوي علم ذلك عن جميع الخلق واستحثر بعلمه เหมือนกับว่าการที่เรารู้ว่าวันกิยามจะเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรบางทีอาจจะมีโทษด้วยซ้ เหมือนว่าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไร่สมมุติถ้าพรุ่งนี้รู้ว่าจะตายเนี่ยหรืออีกสองปีจะตายเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องทําดีก่อนทําชั่วไปก่อนแล้วมันมีประโยชน์ไหมแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์พอมนุษย์รู้คือมันไม่มีประโยชน์ทั้งในดุนยาแล้วก็ทั้งในเรื่องของอาเครัสโดยเฉพาะในเรื่องของอาเครัสเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะรู้ว่าเออจะเกิดนําซ้ําการไม่รู้นี่แหละที่จะให้ให้ประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาต้องทําดีอยู่ตลอดเวลานะไม่ตายวันนี้ไม่ทําดีไม่ตายพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่า ไ, ได้ทําดีไปตลอดเวลาความดีจะได้เพิ่มปูนเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยผลบุญต่างๆที่เราได้สั่งสมเอาไว้นี่มันจะได้เยอะแต่ถ้ารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ค่อยทําใกล้ๆตายก็แล้วกันความดีก็ได้น้อยบางทีอาจจะไม่ได้ตายบนความดีตามที่เราต้องการก็ได้เพราะฉะนั้น นี่คือการอธิบายของอุลามะบางท่านนะครับว่าไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงวนาาันรอัคราว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปกปิดวันอาคาราฐเนี่ยดีกว่าที่จะเปิดเผยอัลลออาลัมนะครับเป็นการตัฟสีเป็นการอาธิบายของบรรดาอุลามะสองความหมายนะครับที่เขบอกว่าหนึ่งก็คือ lasta fi shay'in min ilmiha เจ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้นี่เป็นความหมายที่หนึง่งความหมายที่สองบอกว่ารู้ไปทำไมจะรู้เกียัติเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไปทำไม فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها อย่างพระเจ้าของเจ้านั้นคือที่สิ้นสุดของมันก็คือวันเกียัติหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับกำหนดเวลาแห่งวันเกียัตินั้นเป็นความรู้ของอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นโดยที่พระองค์จะไม่ทรงแพร่พลาหให้ใครทราบแม้แต่ท่านนาบีมาาุฮัมมัดสลลัลลอฮอััลลัมเองก็ตา่างรับอีลาอรับบิกะมุมดฮาๆๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนาบีสลลัลลอฮอััลลัมเอ ง, เอง ก็ยังไม่ทราบว่าวันเกียตรติจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตามกระแสไม่ว่าจะเป็นกระแสนอสตราดามุสกระแส2012กระแสเผ่ามายันไม่ใช่เผ่าอะไรยันเผ่ามายันโบราณ น, นะครับที่เขาไปดูภาพเขียนภาพอะไรบางคนเราก็กลัวเหมือนกันนะมุสลิมบางคนนะมุสลิมบางคนพอดูข่า ว, วเขา ว, วิเคราะห์กันยกใหญ่วิเคราะห์จะเกิดนา้าท่วมอย่างง้นอย่างนี้เราเองก็กลัวตามเขาด้วยอย่านะ นะครับท่านนาบี ส, ลลลสุลตล่ามเองยังไม่ทราบแล้วคนพวกนี้เป็นใครที่จะมาบอกเราว่าปีนั้นปีนี้วันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้จะเกิดนู่นจะเกิดิีงห้ามเด็ดขาดเลยถ้าใครก็ตามที่ยังมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ้มันน่าจะใช่เอ้มันน่าจะเป็นปีนี้นี่ต้องกลับไปเช็คอกเกต้าตัวเองดว่วนละไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้อันตรายมากไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันได้ นะไม่ใช่เรื่องเออเชื่อเชื่อสักนิดนึง mm. เผื่อไว้เผื่อว่ามันเกิดจริงจะได้เตรียมตัวอย่านะไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เตรียมตัวแบบที่จะหนีเวลาที่มันจะเกิดจริงๆนที่ทำมันจะหนีหนีได้เหรอฮะถ้าสมมุติว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องคิดว่าจะหนีได้เหรอจะหนีไปไหน ถาสมมุติว่าน้ํามันจะท่วมเกาะภูเก็ตเนี่ยสักปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงถ้าน้ามันจะท่วมเกาะภูเก็ตเตรียมตัวแบบแบบนี้น้ําท่วมเกาะภูเก็ตจะเตรียมตัวยังไงต้องบอกสิซื้อถุงยังชีพซื้ออะไรซื้ออะไรนะเสื้อเสื้อชูชีพเก็บเอาไว้คนละคนละอันคนละอันในบ้านอย่างงั้นเหนอรอรอดตายใช่ไหมถ้าซื้อเสื้อชูชีพนี้ น้องครับการเตรียมตัวนี่ต้องเตรียมทุกวันแต่ไม่ใช่เตรียมเสื้อชูชีเตรียมอามัลอิบดเตรียมการตกวฮะเตรียมตัวด้วยการเตบัตต่อ Allah s u a n h u w Taala เตรียมที่จะกลับไปหา a l h a l t a a l บอกเองยาอยลีนามตะกลอลรนัฟซมมาดดมตลิกด โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเตรียมเกร่งต่อ Allah Subhanahu Taala และจงดูว่าเจ้าเตรียมอะไรสําหรับวันพรุ่งนี้ต้องเตรียมไม่ใช่เตรียมเฉพาะเวลาที่มันมีฝนตกหนักๆเอาเขาประกาศแผ่นดินไหวเอาเริ่มเริ่มซื้อกักตุนสินค้าเอาไว้และเตรียมแบบเตรียมแบบไม่ยอมตายแต่ของเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะตายและไปเจอกับ Allah s u b ะ a n a h u Taala อันนี้ต่างหากที่เราต้องเตรียมซึ่งมันไม่มีผลว่าเราจะรู้ มันจะเกิดเมื่อไร่หรือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไรมันไม่มีผลต่อาการเตรียมตัวเนี้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยรู้ไม่รู้เนี่ยเขาก็ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนี่แหละเจ้าพระสละบอกว่ามีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะรู้ว่าวันแคมอร์จะเกิดขึ้นเมื่อไรประโยชน์อย่างเดียวก็คือไม่ต้องทําความดีไม่ต้องเตรียมสเสบียงอยู่เฉยเฉยอันนั้นแหละมันจะไม่ใช่ประโยชน์มันกลายเป็นโทษมันกลายเป็นข้อเสียเมื่อเรารู้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจ เราต้องเข้าใจเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอสุลตานต่างต้องการให้เราเตรียมตัวในการที่จะเจอกับความตายนะครับในการที่จะเจอกับอัลลอฮฺสุตลต่าสักวนหนึ่งอินนามะอันต์มซิรุมะญิขชาฮแท้จริงแล้วเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนแก่ผู้ที่เกรงกลัวมันเท่านั้นหมายถึง ท่านนบีมุฮัมมัดสั่งลอของอัลสลัมมีหน้าที่ตักเตือนผู้ที่เกรงกลัววันเกียร์มัดเท่านั้นโดยรายงานเรื่องราวของวันนั้นให้เขาทราบตามที่อัลลอฮ์ทรงแจ้งไว้ส่วนกําหนดเวลาของวันเกียร์มัดนั้นไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะต้องแจ้งให้ใครทราบเพราะไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานาะตะละเพียงพระองค์เดียวนะครับในนี้เขาว่ายังไงอินนามาอันท่มุนซิรุ่มยิ่ชาฮะ เหมือนกันเลยนะครับอธิบายไว้เหมือนกันเลยก็คือว่าหน้าที่ของท่านก็คือการแจ้งให้ทราบหน้าที่ของท่านก็คือการแจ้งให้ทราบสำหรับคนที่เกรงกลัวนะครับเกรงกลัวว่ า, าพอถึงวันกรียมัดแล้วเขาจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนนี่เป็นความหมายหนึ่งนะครับที่เขาอธิบายอีกความหมายหนึ่ง ทำดีแล้วเนี่ยนี่คือข้อดีของการอ่านตับซีดหลายๆเล่มนะครับเพราะว่าทัศนะิสัยในการตับซีดเนี่ยมันจะมีหลากหลายนี่เราเอาแค่มาสองเล่มจริงๆเราถ้ามีโต๊ะ ก, กว้างๆผมจะเอามาสักนะมีตับซีดมันมีเป็นสิบๆครับแล้วแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยมีความพิเศษของมันไม่เหมือนกันนี่เราเห็นชัดเจนเลยเวลาที่เราการตับซีดออกมาอ่านแบบเนี้ยนะมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราเอาแค่หนังสือเล่มเดียวมาเปิดอ่านเราก็จะได้แง่มุมเพียงแค่ แง่มุมเดียวอคัมภีร์นั้นมหัดสะจั่งกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดอ่านแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะมีแง่มุมต่างๆที่หลากหลาให้เราได้เข้าใจในบริบทต่างๆได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายหนึ่งที่บอกว่าท่านนาบีมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนสําหรับผู้ที่เกรงกลัวอีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าของอัลกุรอานดีนะครับไอน إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبال به ولا ب ت ع ن ت ه لأنه تعنت مبني على التكذيد والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبسا. Allahu Akbar นะยุนซ์ะอัคหมุลฮะกิมีน عنه Allahu Akbar นะบนการอธิบายทีที่ดีมากๆเลยนะครับหมายความว่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันเกียรมัิที่ท่านนาบีสุลลัลละสลัมรับหน้าที่มาแจ้งเตือนเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์สำหรับใครเหมือนกับที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่ศรัทธาเท่านั้น ไอ้คนที่ไม่ศรัทธาไอ้คนที่ไม่กลัวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรู้ว่าเกิดเมื่อไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์นี่คือความหมายนั้นอินมะอันธมุิรุมันญะเชฮาประโยชน์ในการตักเตือนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกรงกลัววันเทียมัดเท่านั้นส่วนคนที่ไม่เกรงกลัวเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีค่าเท่ากันคนที่กลัวรู้หรือไม่รู้ก็มีค่าเท่ากันหมายถึงว่ามีแต่คือเขา สิ่งที่เขาให้ความสําคัญก็คือการเตรียมตัวที่จะเจอไม่ใช่เตรียมตัวว่าจะรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่เกิดขึ้นเมื่อไรไม่ใช่นะครับนี่คือคําประกาศจากอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ تعالى ว่านะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยกระบวนการของเราก็คือต้องพัฒนา إ ي م านของเราขึ้นสู่ระดับผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ تعالى อันนี้คือหน้าที่ของเราเพราะ ถ้าเราไม่ปรับตัวเองจากคนที่เป็นมุสลิมธรรมดาๆนะคนที่เป็นมุสลิมธรรมดาๆก็คือรับอิสลามเป็นอิสลามรับอิสลามมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนเพิ่งรับอิสลามมาแล้วไม่พัฒนาอิสลามของตัวเองปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เกี่ยวข้องเลยละหมาดไม่ละหมาดไม่เกี่ยวข้องเลยรู้ไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้เนี่ยมันไม่มีไม่มีประโยชน์นะชารู้์ฮ์ไม่มันไม่มีประโยชน์ ต้องพัฒนาขึ้นสู่อีกระดับนะจาก ม, ม, มุสลิมธรรมดาๆสู่ระดับมุมลินที่มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามนะมีความรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงจากมุมินก็ขึ้นสู่ระดับมุตตะกีนผู้ที่มีความยำเกรงต่อหลอกสุภาอิาลาอีกระดับหนึ่งจากมุตตะกีนถ้าทําได้ก็ เ, เพิ่มเข้าไปอีกจนกระทั่งสู่ระดับอลัม uh อลมุฮซินีนอัลมุฮซินีนก็คือผู้ทีนะ่ที่จิบรีลบอกว่า กันอันตะบูดัลลอห์ที่ท่านนาบีบอกกับจิบรีรว่ามุฮซินีนระดับที่สูงที่สุดนะครับก็คืออะไรนะอันตะบุดัลลอห์กันนะขะตาหูเราปฏิบัติตนเหมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลนี่คือระดับที่สูงที่สุดซึ่งเราก็เห็นมีความแตกต่างพวกเราทุกคนก็มีความแตกต่างจะทํายังไงเพื่อพัฒนา ต้นทุนการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่องสําคัญมากสําคัญมากครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นมุสลิมธรรมดาๆรรเนี่ยเราจะไม่สะทกสถานกับการตักเตือนของลอกสุภาโนจ่าเลยเราอ่านอัลกุรอานเหมือนเราไม่ได้อ่านเราอ่านอัลกุรอานเหมือนกับเป็นคําพูดปกติทั่วๆไปที่ ท, ที่อ่านหนังสือพิมพ์อ่านนินยมนิยาย เวลาที่เราฟังเรื่องราวของฟิรเอลเวลาที่เราฟังเรื่องราวของนบีนั้นนบีนี้มันเหมือนกับเราไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ได้บทเรียนในชีวิตของเราเลยเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะรับใจของเราไม่มีความยำเกรงต่อล l l a h سبحانه وتعالى นล่นที่ Allah تعالى บอกว่าอ ن م ا า خ ش الله من عباده العلماء คนที่ยำเกรงต่อล l l a h ก็คือคนที่มีความรู้คนที่เรียนรู้สแสดงว่า ปัจจัยที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองไปสู่มุสลิมที่มีคุณภาพนจะต้องมาจากกระบวนการเรียนรู้ของเรานะรับอิสลามมาเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดว่าแล้วะจะก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งอย่างไรนะครับอัลลอฮฺแม้กระทั่งแม้กระทั่งในสวรรค์ในสวรรค์เนี่ยการตอบแทนของลอกสุภานอาตล อ, อะไรในสวรรค์เนี่ยมันจะมีวิธีการบางวิธีการที่อัลตะไรจะใช้ตอบแทน คนที่เข้าสวรรค์แล้วสวรรค์นี่ก็มีหลายขั้นไม่ใช่ขั้นเดียวนะครับจะมีขั้นหลายขั้นนะสูงส่งมากวิธีการที่เราจะรู้ว่าเราอยู่ในสวรรค์ขั้นไหนเนี่ยมันมีในฮ a d i t ท่านนาบีสา ล, า ล, าสาลาบอกว่าเวลาที่อัลลอฮฺ uh uh สุบบานจะละเอา穆มินเอามุสลิมเข้าสวรรค์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่อ่านอัลกุรอานฟังให้ดีนะครับ อันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราพยายามรณรงค์เหลือเกินให้เราอ่านอัลกุรอานคนที่อ่านอัลกุรอานไม่ได้เราต้องการให้อ่านอัลกุรอานให้ได้คนที่อ่านอัลกุรอานได้แล้วพยายามต้องการให้เขาอ่านอัลกุรอานทุกวันอย่างสม่ําเสมอเพราะเมื่อถึงเวลาที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ย a l ะ a h ตรัสสั่งให้เราอ่านอัลกุรอานอีกรอบหนึ่งอิกระวรัติลเขมาคุณตะตักระเขามาคุณจะตรัจติลูฟิดดุนยาจงอ่านอัลกุรอาน เหมือนกับที่เจ้าเคยอ่านอัลกุรอานสมัยที่เจ้าอยู่ในโลกดุนียาเราอ่านถึงไหนตรงนั้นแหละคือชั้นของเราในสวรรค์เห็นไหมครับเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวข้องอกุรอานเพราะฉะนั้นมันมีตัวชี้วัดอยู่ถึงแม้วมันจะไม่ได้มาบอกเราเป๊ะๆว่าเราเนี่ยจะได้ระดับเท่านั้นเท่านี้แต่เราเช็คตัวเองง่ายๆว่ะตอนที่เราอยู่บนโลกดุนียาเนี่ย เราอ่านอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่อ่านเลยชอละเข้าสวรรค์แต่ไม่อ่านเลยก็อาจจะอยู่ทํำสุดถ้าอ่านนิดนึงก็อาจจะสูงกว่าหน่อยหนึ่งไต้องอ่านเยอะๆมีผลด้วยนะ่อ่านเขาอ่านเฉยๆนี่ก็มีผลต่อการได้รับผลตอบแทนจากอัลลอสุภาพนาอัลตะลผมบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานอุลกรีม คนคนนั้นจะไม่มีวันอับโชคใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวโยงไม่ว่าจะเป็นอ่านไม่ว่าจะเป็นเรียนไม่ว่าจะเป็นสอนคนอื่นคนคนนั้นจะไม่มีวันที่อับโชคแน่นอนทั้งในโลกนี้และก็โลกโลกโอัคราเราเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นต๊ะ ค, ครูอุบานกันหมดถามว่าเป็นไปได้ไหม ปรากมี h d i s ที่ยังยาอยู่บหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าขยรุคุมมัน آ ن و ع ل h a i s الصحيح ของอิมามบุควรีที่บอกว่าขยรุคุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านไม่ได้บอกว่าคนที่มีเงินเยอะที่สุดไม่ได้บอกว่าคนที่มีความรู้โตครูที่สุดไม่ใช่ขยรุคุมมัน ت ลมّ آ คนที่เรียนอัลกุรอาน وعلّمه لقصّان ك ผมถามว่าการที่เราจะสอนอัลกุรอานคนอื่นเนี่ยจาเป็นที่เราจะต้องจบอปริญญาตรีจบปอนเนาะนะผ่านบาบอนนั้นบบอนี้มาก่อนไหมนะักคนเรียนอัลกุรอานมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเอ่ออะไรอ่ะคือผมจะบอกว่ามันไม่อยู่หลายระดับอะ่ะเราไม่ใช่ว่าจะให้จะให้คนที่ไม่เคยจบปอเนาะไปสอนคนที่มีความรู้มากกว่าเราไม่ใช่ ลูกเราอ่ะเราสอนลูกเราไม่ได้เหรอการที่เราสอนลูกเราให้เรียนอัลกุรอานไม่สามารถที่จะเรียกว่าเรานี่เป็นครูสอนอัลกุรอานให้กับลูกเราได้เลยนายอย่าเข้าใจผิดสอนสิครับไม่ต้องไปให้คนอื่นหรือถ้าจะให้คนอื่นสอนเนี่ยเราเองก็ต้องสอนสอนลูกด้วยเพราะถ้าเราไม่สอนลูกเนี่ยเราจะสอนใครเราสอนคนอื่นเราสอนไม่ได้ความรู้ไม่พอแต่เราอยากจะมีส่วนในฮะดีซีท่านอับดุเบาะเนี่ย เราอยากจะเป็นต๊ะครัอัลกุรอานด้วยเราจะได้รับผลบุญจากการที่เราเป็นใครรู้คุมมันตั๋ลลมอัลกุรอานวอัลลัมมุเราก็ต้องสอนลูกเราสอนหลานเราหรือสอนเด็กข้างๆบ้านเราพ่อแม่เขาสอนอักุรอานไม่เป็นเราเอาลูกเขามาสอนเนี่ยนะต้องมีต้องมีร่องรอยเหล่านี้ในชีวิตของเราไว้ด้วยจะได้ไม่กลับไปหาอัลลอฮ์มือเปล่านะเป็นกุลวัลลอห์ก็สอนกุลวัลลอห์เป็นฟฐฐาติฮ์ก็สอนฟาติฮ์ ถามว่ามีไหมเด็กๆที่ไม่เป็นฟาดิฮะในบ้านเราในในกาปองเราเนี่ยเยอะแยะไม่เป็นกุลหอล้อไม่เป็นกุณอนบริสุสอนนะที่เรารู้อะไรเราสามารถจะสอนอะไรได้ให้มีด้วยสักคนสองคนก็ยังดีนะไม่ใช่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแค่การรับฟังอย่างเดียวต้องต้องมีการให้กับคนอื่นด้วยแล้วไม่ต้องกลัวว่าเออนะไม่ได้จบครูมาไม่ได้จบศาสนามาไม่ได้จบ นะไม่เด็กตอนเนานุนตอนเนาะนี้มาเนี่ยกลัวจะสอนคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ครับนะแม้กระทั่งภรรยาของเราถ้าเขาอ่านอักุรอานไม่เป็นคนที่สมควรที่สุดที่จะสอนภรรยาก็คือสามนะีคนอื่นจะให้ใครสอนไม่ใช่มาฮรอมด้วยบางทนะีมีหลายอย่างนะครับใช่ไหมเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าอัลลอฮฺของดีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ยากแต่มันต้องอาศัย กระบวนการคิดสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะตักตวงสิ่งดีๆทั้งหลายในอิสลามมาให้มันมาสร้างบรารกัตในชีวิตของเรานะครับรเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานอุลกิริมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือถ้าเป็นคนอาหรับเนี่ยน้องสังเกตได้เลยเวลาที่ไปมักกะไปมาดีนะชอบเหลือเกิน <laughs> มันจะมีคนคนขายอัลกุรอานอยู่หน้าสุเรา สู่เราไม่วาจะเป็นสู่เราที่มาดีหน้าหรือมัสการ์ขายอัลกุรอานส่วนใหญ่เราจะขายให้กับพวกอินโดพวกที่มาจากบ้านเราเนี่แหละชอบที่จะซื้ออัลกุรอานแล้วก็เอาไปตั้งไว้เอาไปตั้งไว้ในมัสยิดของท่านนาบี เ, เป็นวะกะคือต้องการเอาไปวะกะให้กับมัสยิดเรก็ทำดีแล้วนะแต่ว่าไปวักะในมัสยิดท่านนาบีนี่จริงๆแล้วมันเกินความจำเป็ น, เ, ปนเพราะว่าในมัสยิดของท่านนาบีเนี่ยอัอลกุรอานนี่มีอยู่เยอะแล้ว แล้วส่วนใหญ่นะอัลกรุรอานที่เขาซื้อจากข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่อัลกรุรอานมาตรฐานจากโรงพิมพ์ของกษัตริย์ฟะฮัดเวลาที่เขามาตรวจนะมันจะมีในสุเราของท่านนาบีสุลต์สลัมหรือนะมันจะมีพนักงานเฉพาะเลยไอ้พวกที่เป็นพนักงานที่คอยมาเช็ดนะชั้นกรุรอานเนี่ยมีฝุ่นนิดเดียวก็ไม่ได้ต้องเช็ดโอ้สุดฮาน่ลรอนะบริการมากถึขงขนาดนั้นเช็ดแล้วตรวจทุกเล่มอันเนี้ยมาเนี้ยกรุรอานมาจาก กษัตริย์พระธิดาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ของกษัตริย์พระธิดาเนี่ยเขาจะดึงออกมาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในคลังเสร็จ แ, แล้วก็จะแจกให้กับบรรดาหุดญัดที่มาทําฮักเนี่ยเอากลับไปยังประเทศของตัวเองนะที่สุเหรา่ามาเนี่ยนะเขาจะที่เขาไปแจกถ้าใครเป็นอิหมัมใครเป็นอะไรเนี่ยถ้าจะไปมัต ก, การเนี่ยให้เขียนเหมือนกับว่าเขียนหนังสือขอขออัลกุรอานไปแล้วก็ประทับตราสุเหรา่าประทับตราองค์กรเนี่ยไปขอจาก มัสยิดน บ, บีได้หลยเขาจะเอาอัลกุรอานที่คุณญาตเนี่ยซื้อไปตั้งเอาไว้ข้างในนี่แหละเอามาแจกคืนกลับไปอีกบางทีเรานี่ไม่รู้ซื้อไปแล้วไปตั้งเอาไว้มันไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกครับเขาจะดึงออกมาแล้วก็เอาเอามาคืนกับคนอื่นต่อนะครับแต่จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมีมีมีความาสํานึกที่จ ะ, จะอยากจะได้บรกิการจากอัลกุรอานซื้ออัลกุรอานไปตั้งเอาไว้ในสุเหร่ า, ราหรือบางคนอาจจะบริจาคเพื่อ การจัดพิมพ์ Al อัลกุรอานอย่างกษัตริย์พระหัตเนี่ยบริจาคเลยสร้างศูนย์อัลกุรอานและอัลกุรอานทุกเล่มที่ออกจากศูนย์กษัตริย์พระัตเนี่ยจะต้องผ่านการนะพี่น้องลองสังเกตดไูไอ้ที่เล่มสีเขียวๆมันจะ ม, ม, จะมีมันจะมีข้างหลังสุดเนี่ยมันจะมีปั๊มตราที่มีเลขเลยนะเลขเท่าไร่เท่าไหร่เลขเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวแทนเป็นรหัส ข, ของคนตรวจ เลขเท่านี้เนี่ยแสดงว่าคนตรวจคนที่เท่านี้ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยคนคนนี้แหละต้องรับผิดชอบเขามีความละเอียดถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่บอกแล้วไม่อับโชคเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูซิว่าเราจะมีส่วนกับอัลกุรอานได้อย่างไรในการที่จะเผยแพร่อัลกุรอานในการที่จะสอนอัลกุรอานในการที่จะเอาอัลกุรอานมาตั้งไว้ในสุราในการที่จะซื้ออะไรก็ไดนะ้ที่มันให้เกี่ยวข้องกับ ให้คนอื่นได้มาเรียนอัลกุรอานนะครับได้ส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นที่สุราเราหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตกลงช่วยววเขาจะได้เห็นมันนั้นเป็นวันที่ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงยามเย็นหรือยามเช้าของมันเท่านั้นเอง คือวันเกียมตรติที่พวกเขาดื้อดันปฏิเสธนั้นจะต้องจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยที่พวกเขาจะได้เห็นว่าวันนั้นด้วยตาตัวเองซึ่งขณะที่พวกเขาเห็นนั้นพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาได้อยู่ในโลกนี้เพียงยามเช้าหรือยามเย็นของวันเกียมตรติเท่านั้นกล่าวคือรู้สึกว่าได้อยู่ในโลกนี้เป็นเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือสภาพที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะละอธิบายว่าพอเราได้เห็นวันเกียตรติจริงๆเนี่ย 60ปีที่เราอยู่บนโลกนี้เราจะนึกว่าอัลลอฮฺมันนิดเดียวเหลือเกิดมันสั้นนิดเดียวมันสั้นนิดเดียวมันไม่ได้ยาวนานเหมือนที่เราเข้าใจเลยนะ60ปี70ปีเนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่ชีวิตของเราตอนนี้นี่เราก็พอที่จะนึกออกได้นึกออกยังพอมองภาพออกไหมครับสมัยที่เรายังอายุ15หรือตอนอายุ20ตอนนี้ผ่านไปกี่ปีแล้ว ยังนึกภาพออกไหมฮะหรือวันที่เราแต่งงานวันแรกวันที่เราแต่งงานวันที่เรามีลูกคนแรกมันยังรออยู่ในหน้าเรามันเหมือนกับว่าเออเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี่เองมันไม่ได้นานมันนานเพราะมันยังไม่ได้มาแค่นั้นเองพอมันมาปุ๊บแป๊บเดียวจบเหมือนเวลาเราะมดอนอะเราะมดอนตอนที่ยังไม่ยังไม่ถึงเรามดอนโอ้เมื่อไหร่มันจะไอ้นั่นพะมันมาปุ๊บเนี้ย วันวนหนึ่งมันผ่านไปแบบรวดเร็วเหลือเกินนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะหมดปีแล้วเนี่ยปีหนึ่งนานแค่ไหนครับนะครับยังไม่รู้สึกแล้ว่าเอออายุเราจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วแ๊บเดียวลักษณะเดียวกันเลยพอเราไปเห็นวันอะเครัสเนี่ยเราจะคิดว่าอล๋อวัดพี่น้องสามสิบปีที่ผ่านมาสาสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี่เองเพราะฉะนั้นต้องอดทน อดทนอดกลั้นอดทนในการปฏิบัติความดีในช่วงเวลาสั้นๆนี้ถ้าเราไม่ทําในช่วงเวลาสั้นๆนี้เราไม่มีเวลาที่จะทําอีกแล้วอดทนในการละทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีอดกลั้นตัวเองเนี่ยอายัดก่อนหน้านี้วَ أ َมَّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ามอารมณ์ไปตทำของตัวเองอย่าให้มันทําชั่วมันแป๊บเดียวเองอดหน่อยอถ้ามันรุมเร้าอะไรยังไงเนี่ยพยายามหน่อย มันตั๊บเดียวเแล้วมันก็จบแล้วนะครับอะไรที่มันเป็นความความสุขทางโลกเนี่ยมันอยู่ไม่นานเขาเรียกว่าไม่จีรังให้ปลงเนี่ยเป็นเป็นปัพของของเขานะบอกให้ปลงชีวิตนี้เนี่ยมันอนิจจังมันต้องปลงมันต้องเห็นหมครับต้องอดทนนะครับหรือถ้าเวลาที่เราประสบกับความทุกข์ยากในชีวิตเนี่ยก็อดทนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อดทน ไม่อดทนในการทำดีไม่อดทนในการที่จะห้ามตัวเองจากทำชั่วเนี่ยวันหนึ่งเราจะเสียดดยเราจะเสียใจกับการที่เรานั้นไม่อดทนกับช่วงเวลาสั้นๆเพราะผ ล, ละกรรมในวันอัครายมันไม่ใช่สั้นละชีวิตของเรามีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีจุดจบชีวิตของเรานะครับมีจุดเริ่มต้นหมายความว่าจากเดิมที่เราไม่มีอะไรละตเตอรล่ ะ, ละก็สร้างเราขึ้นมาแต่มันจะไม่มีจุดจบ ไม่มีจุดจบครับไม่มีตายแล้วพอถึงวันอาคเลศนี้ไม่มีจุดจบแล้วอยู่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเอามาเทียบได้ยังไงอ่ะมั น, ม, นมันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตสั้นๆที่เราอยู่บนโลกนี้เอาอาคเลศมาเทียบไม่ได้ถ้าเรามีชีวิตหกสิบปีบนโลกนี้ทุกวินาทีเราใช้ชีวิตในการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮฺไพร์เราจัลลาทั้งหมดที่เราทํำนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับความยาวของอาคเลศได้ยังไม่พอหรอก ที่จะเอาไปใช้ในวันอัคราสหกสิปีถ้าเราใช้ทั้งหมดแล้วนับประษาอะไร60ปีนี่เราใช้แค่แค่แค่เท่าไหรเองวันหนึ่งเราใช้แค่เท่าไหรเองในการทักดีต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ยี่สิบสชั่วโมงในแต่ละวันถ้าเราใช้ทั้งหมดมันก็ยังไม่พอหรอกกับการที่เราจะเอาไปใช้ตลอดตลอดไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ในวันอัคราแต่ยี่สิชั่วโมงในแต่ละวันนี่เราก็ใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองในการเคารพทักดีต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เพราะฉะนั้นต้องอดทนให้เยอะในการทําดีต่อล l l a h และอ่าในพอดีว่ามันเข้าช่วงของเดือนรุ่งหิจัพพอดีอัาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยรัศมีของพระองค์นี้กว้างใหญ่ไพาศาลพระองค์รู้ว่าชีวิตของเรานี่สั้นและเราเนี่ยขีย้เกียจทาดีนะครับก็เลยมอบของขวัญเอาช่วงเทศกาลดีๆมามอบให้เรารามบอนทั้งเดือนเห็นไหมเวลาที่เราทําในเดือนรมบอนเนี่ยถ้าเจอคือนหนึ่งตรงกับราละทุกอ์ออกเท่ากับพันเดือนเยอะอยู่ ถึงแม้วมันจะยังไม่พอแต่มันก็เยอ ะ, ยอะนะพอที่จะให้กำลังใจเราได้สิบวันแรกของเดือนรุลงหิจักก็เช่นเดียวกันสิบวันแรกของเดือนรุ่งหิจักเนี่ยมีห a ด i s ที่บอกว่าอับนะเป็นสิ่งเป็นช่วงเวลาที่อัลลอลารักมากที่สุดซึ่งบรรดาอุลามะ ก, ก็มาอธิบายว่าครั้งหนึ่งท่านนาบบีบอกว่ารอมฎอนนี้ดีที่สุดสิบคืนท้าย ر م ض อ ن แล้วมาบอกอีกว่า10วันแรกของเดือนสุริจักรแล้วมันไม่ไม่ไม่ชนกันเหรไม่ไม่มันไม่ค้านกันน่านะบุญลมะมัอธิบายว่าถ้าเป็นกลางคืน10บคืนสุดท้ายของระมอดอัประเสริฐที่สุดเพราะมีไรแหละตุลก้อนแต่ถ้าเป็นกลางวันทั้งวันเนี่ยสิวันแรกของเดือนสุริจักรจะดีที่สุดเพราะว่าช่วง10วันแรกของเดือนสุริยจักรจะมีอามัลต่างๆมากมายมาชุมนุมกันตรงนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นการละมาธการเชื่อดสัต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามี่้องลองดูเทศกาลที่กำลังจะเริ่มคืนนี้ก็เริ่มแล้วเขาปิดถนนกันแล้วข้าวมาเนี่โดนปิดถนนแล้วเขาทำกันยิ่งใหญ่เป็นเป็นช่วงฤดูกาลที่เขาทำกันน่ะจริงๆแล้วของเราเนี่ยถ้าจะบอกว่าให้ทำเหมือนกับที่เขาทำคงคงคงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันลักษณะเดียวกันมันจะมีเทศกาลอยู่ช่วงที่อัลลอฮ์สุลตานอัลาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องเฉลิมฉลอง เป็นช่วงที่เราเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามต้องช่วยกันเชิดชู샤อิรุลลอฮ์ในอัลกุรอานเรียกมันว่าช샤อิรุลลอฮ์การเชิดสัตว์กุร بان ในวันอิดิลัตฮานี่เป็น샤อิร์ะเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามอิดีลัตฮาถ้าไม่มีการเชิดคุรบานมันคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีการแสดงออกถึงถึงพลังของ สิบวันแรกของเดือนสุลไหจักกับสามวันอัยมตุตชริกเนี่ยวันตชริกหลังจากที่เอดลอาตาเนี่ยเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ของท่านนาบีอิบราฮีมอลัยฮสสล่ซึ่งได้ยอมพลีชีวิตของท่านลูกของท่านเพื่ออลลอฮฺสุบฮานอการทำฮัจญ์เนี่ยก็เป็นการตามร่องรอยของท่านนาบีอิบราฮีมเป็นเอกลักษณ์ของอิสลามนาบีอิบราฮมเนี่ยเป็นพ่อของบรรดา น, นาบิบ มีเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตของท่านนาบีบรหัมที่เป็นบทเรียนแก่ประชาชาิอิสลามอัลลอฮฺต้าละต้องการให้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เรามาช่วยกันระลึกเยอะๆเนื่องจากว่าบริบทของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมันไม่มีคนที่จะนําอิสลามเอามาใช้ในสังคมเรามันก็เลยเงียบเงาถ้าเป็นยุคสมัยสุฮบะเนี่ยสิบวันแรกในเดือนรุ่งไหจันเนี่ยอบับดุหยฮูไรร์ก็ดีหรือสุฮบะอีกหลายๆท่านก็ดีเนี่ยออกไปกลางตลาดเลย ไปตกบิรกลาังตลงอัลลอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์วะลิลลาฮิล h a ตั้งแต่วันแรกเดือนสุลฮิจัต์เหมือนกับที่เขาทำเนี่ยกินผักอะไรของเขาเนี่ยแต่ของเราไม่มีมันหายไปไม่มีการทำให้มันใหญ่โตทั้งทั้งลา้าลตบอกว่าต้องทำให้มันใหญ่โตนะ وَمَنْ ي ع ْ م ش ع ا ئ ر ا ل ل َّ ه อยู่อซิมต้องทําให้มันใหญ่แต่เราบ้านเรานี่ไม่เห็นกันไม่มีแม้แต่กระทั่งการถือป้ายสักนิด ก, ก็ยังไม่มีแค่บอกป้ายว่าเออเนี่ยถึงแล้วนะเดือนสุริยจักรสิบวันแรกของเดือนสุริยจะกรป้ายรณรงค์นี้ก็ยังไม่มีเงียบเงาบางที อ, อีดุลอัฏฐาเนี่ยเงียบเงากว่าอีดุลฟิตรีซะอีกอีดุลซึมมันยังพอมีจิตวิญญาณบ้างเพราะเราเหนื่อยมาจากการถือซึมอด เรามาออกบวชกันเนี่เป็นรู้สึกว่ามันเฉลิมฉลองหน่อยแต่ไอ้ดุลอาตาเนี่ยอยู่ดีๆเราก็อีดโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันเนี้ยน่าสงสารมากสังคมของเราทุกวันนี้นะครับทั้งๆ ท, ที่แท้จริงแล้วเนี่ยอุลามะเหมือนกับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ดุลอาตายิ่งใหญ่กว่าไอ้ดุลเตริุและเอกลักษณ์สำคัญของอ้ดุลอาตาก็คือการเชือดสัตว์การหลั่งเลือดสัตว์เป็นการกุลบาน อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และใครที่ต้องการกุลบานเนี่ยห้ามตัดเล็บห้ามตัดผมตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่าพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งสุลฮิจั่ยมันเป็นพิธีกรรมอะนะบอกแล้วพิธีกรรมก็มีนะในศาสนาอิสลามถ้าจะเอามาทแบบยิ่งกว่าของเขาเอีกพิธีกรรมของเราของเขาเนี่ยถือศีลแต่ไม่รู้มันจะขนาดไหนความเข้มงวดของเราจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องพิธีกรรมของเราเข้มงวดกว่าของเขาเอีก แต่มันไม่มีการพูดถึงมันก็เลยดูเหมือนกับว่าของเราเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเขาไม่มีคนมาพูดไม่มีคนมาดว่าวไม่มีคนมารณรงค์เพราะฉะนั้นจะทํำยังไงเอาบริบทเล็กๆของพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทํำยังไงให้มีให้มันมีมความรู้สึกว่าสิบวันแรกของเดือนสุริยจักรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพวกเราเราจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะบอกให้กับชาวบ้านได้รู้ว่าเนี่ยสิบวันเนี้ยยิ่งใหญ่นะ มีการถือศีลอดร่วมกันไหมละศีลอดร่วมกันไหมสักวันสองวันก็ได้โดยเฉพาะวันอาราฟะวันอาราฟะเนี่ยอุลามะบางคนบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าวันอิดวันอิดเนี่ยวันอิดที่เราออกมาละมานอิดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ยิ่งใหญ่กวันนั้นก็คือวันวันอาราฟะบางคนนะอุลามะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันบางคนก็บอกว่าวันอิดใหญ่กว่าอาราฟะแต่บางคนก็บอกว่าวันอาราฟะนี่ใหญ่กว่าวันอีด เพราะวันอัลอัลฟาเนี่ยมีฮะดิซที่บอกว่าอัลลอฮฺสุบัยนอตะอัลลนะครับจะอภัยโทษให้กับเ่าของพระองค์ในวันนั้นถือสินอดใครที่ถือสินอดวันอัลอัลฟาเนี่ยจะถูกอภัยโทษให้สองปีหรือเปล่าปีปีที่ผ่านมากับปีที่จะมาถึงมีหลายอย่างเหลือเกินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเทศกาลทยะลาตะลาส่งมาให้เป็นของขวัญให้กับเรานะเพราะว่านะถ้าเราไม่ไม่ให้ความสําคัญกับช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะทำดีหรอก ถ้าไม่มีเทศกาลแบบนี้หนีเราก็ทําดีแบบแบบ ผ, ผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปสักวันเราก็ทําแค่เฉพาะละหมาดห้าเวลาสุนัตบ้างเป็นบางครั้งนะครับอัลลอฮฺอักบารเนี่ยเราเนี่ยเราไม่ได้บกพร่องต่ออัลลอฮฺสุพาหา์นอจ่าแลานะเราบกพร่องต่อตัวเองอลัลลอฮฺลลเนี่ยเตรียมพร้อมทุกอย่างให้กับเราแต่เราเนี่ยบกพร่องต่อตัวเองนะครับเราจัดการบริหารชีวิตของเรา ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีการพูดรณรงค์ไม่มีคนที่จะมาชักจูงชักนาให้มันเกิดโครงการดีๆอย่างนี้ในสังคมของเราแต่อีกฝั่งหนึ่งถ้าหากเราเริ่มสร้างความตระหนักตั้งแต่วันนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ไกลนะครับที่รุ่นต่อไปของลูกหลานเราเนี่ยจะต้องดีกว่ารุ่นของเราให้ได้นะครับด้วยการช่วยกั น, นครับทำให้มันเป็นจริงในอนาคตนะครับ จบแล้วนะครับสุรทุนนสิอาตก็หวังว่าเราจะได้รับบทเรียนอะไรต่างๆมากมายจากสุรนี้ขอพระเจ้าเจอกันหลังอีกที่หน้าผมไม่อยู่เดี๋ยวให้พี่น้องจัดการกันเองว่าจะให้ใครมาสอนแทนว่าอะไรก็ได้นะครับอัลลอฮฺ تعالى 알 âm ซุลแลลลอฮฺนบีนะมุฮัมมัดนะละอานีซุลฮฺบิยุสซัลลัมซัลลัมอะลัย კ ุมวะฮฺดุลลอฮ